หน้าที่พระสังคาธิการหลวงพ่อให้โอวาดพระลูกวัดรูปหนึ่งที่มาขออนุญาตไปอบรมพระสังคาธิการไปอบรมมาทาประโยชน์ไม่ใช่อบรมมาต่อต้านกันหน้าที่พระสังธิการต้องนำหมู่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่ให้ขาดบิณฑบาตไม่ให้ขาดลงฉันที่ศาลาไม่ให้ขาดชั้นในบาทเป็นวัดชั้นหนเดียวเป็นวัด เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามันถึงจะเป็นพระสังธิการแท้อธิการแปลว่าผู้เป็นใหญ่แห่งสงฆ์นี่ช่วยกันเป็นใหญ่ให้มันน้อยลงน้อยลงเดี๋ยวมันจะไม่มีคนเข้าวัดนะ่จะบอกให้เวลาวันพระวันเจ้าการทำวัดสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นพระเต็มวัด4 0ถึงหองค์เนี่ยมีพระลงทำวัดไม่กี่องค์นี่มันแย่แล้ว อย่าไปสำคัญตนว่าเป็นพระและวิเศษหมดทุกอย่างไม่ใช่เป็นพระแล้วภูมิจิตภูมิใจความบริสุทธิ์กายวาจาสู้ขรือหัดไม่ได้การเข้าหาครูบาอาจารย์มันก็มีประโยชน์เพราะมันมีที่เคารพยาเกรงถ้าขาดความเคารพยาเกรงมันสามารถทำผิดวินัยทุกสิ่งทุกอย่าง อุปชาวิบัติมีผู้กราบเรียนถามหลวงพ่อว่าการบวชที่อุปชาวิบัติหรือศีลไม่สมบูรณ์ถือว่าการบวชนั้นไม่สําเร็จหรือไม่อุปชาจวิบัติหรือไม่วิบัติไม่สําคัญมันสําคัญอยู่ที่คณะสงฆ์ในเมื่อสงฆ์คณะนั้นที่เราเชื่อว่าท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ หรืออุปชาทำรรผิดแต่เราไม่รู้ว่าอุปชาผิดถึงแม้ว่าอุปชาจะเสียหายเพียงองค์เดียวแต่คณะสงฆ์ยังมีศีลบริสุทธิ์อยู่บวชแล้วก็เป็นพระที่สมบูรณ์ตามพระวินัยอันนี้มันสำเร็จเพราะมติของคณะสงฆ์การบวชแบบหนึ่งบวชโดยไม่มีอุปชาอาจารย์คือเราตั้งใจที่จะรักษาศีลห้าศีล8หรือศีลส2 7ี เราตั้งใจเอาเองแต่เราไม่แต่งเพศเหมือนพระใส่เสื้อใส่กางเกงแต่ปฏิบัติเหมือนพระอันนี้ก็บวชเหมือนกันสามารถที่จะสำเร็จมรรคผลนิพพานได้